อยู่บนโลกใบนี้มันก็ต้องอยู่แบบมีสติยังไงถึงเรียกว่าอยู่อย่างมีสติก็คืออยู่อย่างผู้ตื่นไม่ใช่เป็นผู้หลงกันที่เรามีสติเป็นสัมมาสติสัมมาสติก็คือเป็นสติที่เป็นไปเพื่อความหน่าย ความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพานอันนี้เป็นสติฝ่ายดีฝ่ายที่ทำให้เราเนี่ยไม่หลงไม่หลงมัวเมาในโลกใบนี้สุดโดยมากเนี่ยหมูสัตว์โดยมากเนี่ยมีสติที่เป็น สัมมาสติน้อยพอสัมมาสติเกิดขึ้นน้อยเนี่ยส่วนที่ไม่ใช่สัมมาสติมันก็เป็นสติที่เป็นไปเพื่อความกาหนัดยินดีเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความกําหนัดยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อความยึดถือในตัวตน ก่อพบก่อชาติเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกเราก็ต้องอยู่อย่างเป็นผู้ที่ไม่หลงไม่หลงในโลกนี้ด้วยแล้วจะเรียกยังไงละ่ะว่าไม่หลงก็คือเราก็ต้องมาศึกษา ศึกษาใกล้ค ร, ครนูนิทพิจารณาว่าโลกไปนี้มันมันเป็นยังไงอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีคุณสมบัติอันหนึ่งของพุทธก็คือโลกกับวิทูใช่ไหมโลกกัโล ก, ะ ก, ะโลกวิทูก็แปลว่ารู้วิก็แปลว่าวิเศษก็คือว่ารู้แจ้งรู้วิเศษ รู้แจ้งซึ่งโลกก็คือเข้าใจมันนั่นแหละแล้วก็พอรู้รู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยแจ่มแจ้งตามสภาวะของมันตามความเป็นจริงของมันแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้นํามาแสดงแจกแจงให้หมูสัตว์ได้ได้รู้ถึงความจริงอันนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของ พุทธก็คือว่าเป็นพักาวาเป็นผู้แจกแจงจำแนกธ ร, รมซึ่งพระองค์ก็ตรัสเอาไว้แล้วเนี่ยว่าสิ่งที่พระองค์นำมาแสดงแจกแจงให้หมู่สัตว์ได้ฟังเนี่ยก็ไม่ได้ทั้งหมดเป็นแค่ส่วนส่วนเดียวเท่านั้นแหละสิ่งที่พระองค์รู้เยอะแยะมากมาย แต่ก็ทรงนำมาแสดงไว้ประมาณหนึ่งก็คัดสรรนั่นแหละคัดสรรในส่วนที่รู้เยอะแยะมากมายอันนั้นแล้วก็คัดสรรว่าสิ่งไหนจําเป็นจําเป็นต่อความรู้ของหมูสัตว์เพื่อที่จะลดทอนบรรเทาความทุกข์ของหมู่สัตว์ลดทอนความทุกข์ใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะพาดําเนินให้ไปถึง ที่สุดแห่งทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องลำบากลำบนเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ต้องทรงออกแสวงหาโมกธรรมเราก็เป็นเพียงแค่สาวะกกะ็คือผู้ฟังฟังแล้วเราก็นำมาใครครวนพินิจพิจารณาแนวทางอันนี้ให้มันแจ่มแจ้งขึ้นที่ใจเราจะได้เป็นผู้ที่ รู้เข้าใจโลกใบนี้เช่นเดียวกับพระพุทธองค์เช่นเดียวกันทีนี้ขั้นตอนการศึกษามันก็ต้องเข้าไปดูเข้าไปฟังเข้าไปดูศึกษาให้มันรู้ถ้าเปรียบเหมือนเอ ม, มนนักเรงพระนีนักเรงพระนะเวลาเขาส่องนะเขาต้องใช้ว่นขยายส่องใช่ไ หรือถ้าไม่มีแว่นขยายก็ต้องเอาตาเข้าไปใกล้ๆมองไกลๆก็เห็นได้ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ต้องมองใกล้กๆมองเข้าไปให้เห็นถึงข้างในว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ใกล้ตามองไม่เห็นแล้วแว่นมันดูสองดูให้มันลึกละเอียดลงไปอีกให้เห็นถึงว่าเนื้อเป็นยังไง การแตกแห้งของเนื้อเป็นยังไงแต่ถ้าอันเนี้ยเขาเรียกว่าพอดีนะแต่ถ้าเกิดเราดูเข้าไปเนี่ยส่องเข้าไปจนกลายเป็นว่าส่องลงไปจนถึงให้มันละเอียดสักร้อยเท่าพันเท่าเนี่ยมันก็ไม่เห็นอะไรมากนะ เ, เห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกลนของมันเป็นเกลนของเนื้อพระ ซึ่งเขาก็คงไม่ดูนขนาดนั้นหละมันก็จะเห็นว่าการที่เราอยากจะให้เห็นองค์พระให้มันบริบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยมันก็มีระยะในการดูของมันอยู่ไม่ต้องอะไรมากเหมือนกับเราเข้าโบสถ์ใช่ไหมเราเห็นพระพุทธรูปที่เป็นองค์ประธานเราเดินเข้าไปจนหน้าเนี่ยติดอยู่กับองค์พระ เหมือนกับส่องพระพระเครื่องเงี้ยนะมันก็มองไม่เห็นองค์ท่านใช่ไหมมันก็มองเห็นเป็นแผ่นๆอนไรสักแผ่นหนึ่งเพราะนั้นการที่เราจะมององค์ท่านพิจิพิพจรารณาองค์ท่านให้ดีให้เห็นทั่วถึงเนี่ยเราต้องทํำยังไงเราก็ต้องถอยออกมาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ถอยเอามาให้มันเห็นอาจจะเห็นถอยเอามาได้ระยะอาจจะเห็นส่วนของฐานชัดเจนแล้ว แต่ก็ยังไม่เต็มองค์อยากเต็มองค์ก็ต้องเงยหน้าขึ้นไปอีกวันนั้นก็ต้องถอยออกมาดูอีกถอยออกมาอีกถอยออกมาอีกเราก็จะเห็นเต็มองนั่นแหละเราก็จะพินิษพิจารณาเอาว่าองค์พระท่านมีความสมบูรณ์มีความงดงามขนาดไหนอันนี้ก็คือภายนอกนะอย่างเราพิจารณาศึกษาโลกเนี่ย เราก็ต้องถอยออกมาเหมือนกันถอยออกมาดูมันจะได้รู้แจ้งได้ว่าความเป็นจริงของมันเป็นยังไงการที่เราเข้าไปคลุกคลีเข้าไปอยู่ในโลกมันก็มองอะไรได้ไม่แจ่มชัดเหมือนเราเข้าไปใกล้ๆองค์พระนั่นแหละเราก็เห็นแค่บางส่วนบางมุม ว่าพื้นผิวตรงนี้เป็นยังไงก็ไม่เห็นเต็มองค์นะสัดส่วนของท่านงามขนาดไหนมีพุทธลักษณะงามขนาดไหนก็ไม่เห็นยิ่งเราเอาตาเอาหน้าเข้าไปจ่อถึงองค์ท่านแล้วติดกับองค์ท่านเลยเนะี่ยพิจารณาเป็นยังไงก็มันก็ดูไม่ถูกสัดส่วนอะดนะูไม่แจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นเราจึงต้อง ถอยออกมาพอถอยออกมามันก็เห็นภาพรวมใช่ไหมเห็นภาพรวมได้ถูกต้องสัดส่วนเป็นยังไงตามความเป็นจริงได้ถูกต้องกันที่เราจะศึกษาโลกศึกษาโลกที่มันจะมีทั้งทาฝ่ายดีแล้วก็ทำฝ่ายเสื่อมมันมันมันจะเข้าไปคลุกขนาดเหมือนกับว่าเราเอาหน้าไปติ ก, กับองค์พระอย่างนั้นนะมันก็ ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะการที่อัติต่างเราจะศึกษาเรื่องโทษของการมางเงี้ยเราก็ไม่ต้องศึกไม่ต้องอะไรมากก็เหมือนเราอยู่ทุกวันนี้แหละเราก็อยู่ในโลกของกรรมใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงไม่อยากศึกษามันก็คือศึกษาเลยแหละเพราะเราอยู่เราอยู่กับมันเราคลุกวงุในกับมัน แต่พอเราลืมที่จะถอยใจออกมาดูใจเรามันก็กลายไปเป็นผู้เล่นกลายไปเป็นจริงเป็นจังกับกับโลกของกลางโลกของสมมติของกลางอย่างคนที่เขาศึกษาดีแล้วเนี่ยเขามีความเห็นที่ใจว่าอะไรว่าไม่มีศัพท์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาที่เที่ยงแท้ แต่ถ้าเราลองเทียบเคียงความรู้อันนั้นกับความรู้สึกในใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้ระหว่างวันขณะทำงานขณะที่เราจะต้องเจอพบปะผู้คนความรู้ความเห็นในใจของเราเนี่ยมันตรงตามความเป็นจริงแบบที่นักปราชทั้งหลายเนี่ยท่านแจกแจงเอาไว้ไหม หรือว่าเราเห็นว่าโอ้อันนี้เป็นคนผู้ชายผู้หญิงเป็นคนรูปงามเป็นคนขี้เรเป็นคนอายุเยอะอายุน้อยเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วเวลาเขาทำกิริยามารยาทอันนี้เป็นไปตามสมมติที่เรียกว่ามีกิริยามารยาทดีหรือ มีกิริยามารยาทสามเหล่านี้อันนี้ก็คือผู้ง่ายเข้าใจเราเห็นอย่างนี้เนี่ยก็คือเราเข้าไปเป็นผู้เล่นเล่นแล้วก็จริงจังกับมันด้วยเอาเป็นจริงเป็นจังกับมันแต่ถ้าเราได้ดําเนินตามทางของนักปราบบัณฑิตที่ ท่านได้ชีีเอาไว้เราก็จะได้ถอยใจของเราติดเบรกว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างที่เรากำลังรู้สึกเป็นแบบนั้นนะพอเราถอยใจออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ตามความเป็นจริงมากขึ้นว่าเออคนเราจริงๆเนี่ยสุดท้ายมาเป็นคำว่าคนเนี่ยมันเป็นคนที่ยั่งยืนถาวรไหม ความเป็นคนมันก็ไม่ยั่งเยืนถาวรใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่เราตายไปเนี่ยเอาไปเผาก็ดีเอาไปฝังก็ดีสุดท้ายมันก็เปลี่ยนสภาพไปก็คือกลับสู่สภาพเดิมของมันก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมซึ่งถ้าเราบอกว่ามันเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ย มันก็ต้องเป็นให้มันได้ตลอดนะถ้าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่เพราะมันเป็นแบบนั้นอย่างคงตัวไม่ได้ตลอดเวลามันก็จึงเห็นว่าเออไอนี่แหละที่มันเป็นการประชุมของธาตุพะธาตุมันแตกสลายไปแล้วเนี่ยกลับไปเป็นดินน้ำไฟลมแล้วเนี่ยไอเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือการประชุมกันของธาตุ แล้วเราก็สมมุติว่าเอออันนี้นะเรียกว่าคนอันนี้นะเรียกว่าหมาอันนี้แมวอันนี้สัตว์เสือช้างมา้าอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเราไม่ได้เกิดมาในยุคนี้ไม่ได้เกิดมาในยุคที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้ดีแล้วเนี่ย มันก็ยากที่จะได้รู้ได้เห็นแล้วได้นํามาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแบบนี้ได้เราจึงอยู่ในยุคที่ที่ดีมากๆแล้วเ้าเรียกว่าถ้าอยู่ในกับก็คืออยู่ในเรียกว่าพัฒรกับเป็นกับที่มันเจริญเป็นกับที่มันดีการที่มันเจริญการที่มันดีก็เพราะว่า เรามีความรู้ความเข็นที่มันถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในพัฒรกับความรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันนั่นแหละแต่มันก็ไม่มีคนที่นำมาเรียบเรียงแจกแจงแล้วก็แสดงเป็นทางเดินเอาไว้ให้เรา เราอาจจะรู้ความตามความเป็นจริงได้บ้างในบางแง่มุมก็ได้แต่มันก็อาจจะไม่ครบองค์ไม่ครบถ้วนแล้วก็ไม่เพียงพอที่จะกลายเป็นเครื่องดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกแต่ในสมัยนี้เนี่ยมันเพียงพอแล้วเพียงพอเป็นเครื่องดำเนินที่มันจะเป็นทางดำเนินให้ผู้ฝึกหัดปฏิบัติเนี่ย สามารถที่จะเดินไปถึงจุดที่เรียกว่าที่สุดแห่งทุกข์ได้เราก็อยู่ในยุคที่ดีแล้วเราก็ต้องเขาเรียกว่าอย่าไปคลุกวงในกับมันมากอย่าไปคลุกวงในกับเรื่องสมมุติของมันบ้างเราต้องพิจารณาบ่อยๆมีสติคอยดึงรั้งใจของเราถอยออกมาจากโลกสมมุติ แล้วก็พิจารณาโลกสมมติใบนี้ให้มันซาบซึ้งลงไปในใจว่ามันควรค่าแก่การที่เราจะให้ใจของเราเนี่ยไปยึดไปถือให้ความสำคัญกับมันตลอดกาลนานไหมถ้าใจเราเห็นถึงความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะได้ เ, เรียกว่ามีความหน่าย มีความคลายกำหนัดเกิดขึ้นได้ความหน่ายก็คือไม่ใช่แบบเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งอะไรขนาดนั้นนะคือความหน่ายเนี่ยมันก็มันยังไม่ถึงเบื่อเซ็งอะ่ะหน่ายก็คือว่าเราเห็นโทษเห็นโทษของสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากเข้าไปคลุกคลีอีกก็จึงเรียกว่าหน่ายเพราะ เราไม่เห็นสาระของมันน่ะเาจะเปรียบเป็นอารมณ์แบบนี้ง่ายเนี่ยก็เหมือนเราอย่างคนสมัยนี้ก็น่าจะเป็นกันเยอะคนสมัยก่อนก็เป็นเหมือนกันที่ว่าเรียนมาถทาเป็นทับตายสุดท้ายเรียนจบแล้วก็ไม่ได้ชอบในสิ่งที่เราเลือกที่จะเรียน จ, จะเรียนเพราะไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรหนึ่ง อาจจะเรียนเพราะพ่อแม่ฝากความหวังเอาไว้ว่าจะต้องเรียนอย่างนี้แต่พอเรียนจบแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความสุขในการที่จะประกอบอาชีพนั้นๆแล้วก็มาค้นพบตัวเองภายหลังนี่นแหละว่าเราไปชอบทําอย่างอื่นมีความสนใจอย่างอื่น ทีนี้เรามีโอกาสแล้วเนี่ยเราก็เลือกทางเดินของชีวิตของเราได้แล้วก็เปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพมาอยู่ในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทำมันได้อยู่ตลอดเราก็จะมีคนแบบเนี้ยอยู่ในสังคมค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเราสองใจเขาดูเนี่ย เราคุยกับเขาเนี่ยถ้าเราถามคำถามอันนี้กับเขาว่าถ้าให้เขาเลิกอาชีพที่เขาชอบอันนี้แล้วกลับไปประกอบอาชีพแบบเก่าในแบบที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาจะโอเคไหมร้อยทั้งร้อยเนี่ยไม่โอเคแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นแล้วเนี่ยว่าถ้าเขากลับไปเนี่ย มันมีความทุกใจมันไม่ง่ายมันไม่สะดวกสบายเหมือนกับณตอนนี้ที่เขาได้ทําในสิ่งที่เขาเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาชอบเป็นสิ่งที่เขาถนัดเขาก็ไม่อยากกลับไปเดินเส้นทางเก่าเพราะฉะนั้นอารมณ์มันก็คล้ายๆกันคนที่พิจารณาไปจนเห็นถึงความไม่มีสาระ เขียนสารของสมมุติของโลกสมมุติใบนี้จะให้เขากลับไปอยู่ในโลกของสมมุติอีกเนี่ยโอ้มันลําบากนะเขาก็ไม่อยากกลับเข้าไปแหละเหมือนกับหมู่สาวกของพระพุทธเจ้าเราอริยาสาวกของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าอยากจะให้ ท่านเหล่านั้นเนี่ยย้อนกลับเข้ามาเสพกามอยู่ในโลกสมมติใบนี้มีความเพลิดเพลินยินดีในแบบเก่าเพลิดเพลินยินดีในกามแบบนี้ท่านเหล่านั้นก็ไม่เอาล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่พิจารณาดีแล้วเนี่ยมันก็เห็นถึงความไม่มีสาระแก่นสารของมันความสุขในกามที่เรากำลัง ได้รับอยู่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นเงาพยับแดดนั่นแหละที่ก็พยายามคว้าไปอยู่เรื่อยๆคว้าไปอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นของเราได้อยู่ตลอดกาลนานเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นของเราได้กิเลสมันก็พยายามหลอกให้เราไขว่คว้าอยู่องนั้นละแล้วก็ได้มาแล้วมันก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอไม่เคยเต็มสักทีหนึ่ง ก็พยายามบีบคั้นใี่เราหาเพิ่มหาให้ประนีตขึ้นไปอีกแสวงหาได้ก็ดีไปแสวงหาไม่ได้ก็เป็นภูกขาพอแสวงหาไม่ได้ก็มีสองทางเลือกอีกว่าจะตัดใจดีไหมหรือว่าเราจะแสวงหาให้ได้มาในแบบที่ผิดธรรมผิดศีล ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยผลที่ได้ท่านก็แสดงไว้อีกว่าศีลที่เราเสียไปเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้มีหน้ามุ่งต่อทุกติแต่การที่เรามีศีลเป็นกรอบของชีวิตศีลห้า น, นี่แหละเป็นกรอบของชีวิต เป็นเส้นทางดําเนินที่เราจะก้าวไปอยู่ในกรอบอันนี้แหละให้มันดีนะ่ยมันเป็นอย่างน้อยถ้าเรายังหลุดออกจากโลกสมมุติอันนี้ไม่ได้อย่างน้อยเราต้องต้องอยู่ในวัตฏะวนนี้อยู่เราก็ยังพอการันตีได้ว่าเราก็อยู่ในโซนของสุขติสุขติภูมิอาจจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ว่ากันไป แต่เพราะมีศีลที่เป็นเกราะคุ้มครองก็จะทําให้ก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เหมือนพระกั น, นเวลาที่ให้ศีลนี่ท่านก็จะสรุปเอาไว้ให้นะตอนท้ายสีเลนะสุขติงยันติคือศีลเนี่ยย่อมยังให้ไปสุขตินะก็คือใครมีศีลบริบูรณ์รักษาศีลได้บริบูรณ์ก็ มีสุขคติเป็นที่พึงหวังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเบื้องต้นก็คือมีศีลรักษาศีลให้ดีการที่เรามีศีลที่ดีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทำให้เรามีความรู้แจ่มแจ้งในโลกสมมุตินะเพียงแต่ว่าเาเรียกว่ามีขอบมีกรอบที่เราจะไม่ หลุดออกไปจากสุขติหลุดออกไปสู่ทุกติเราก็จะมีเครื่องป้องกันตรงนี้แล้วความทุกข์ที่ในชีวิตของเราเนี่ยความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยที่มันจะวุ่นวายเพราะว่าศีลของเรามันบกพร่องเนี่ยมันก็จะลดลงไปการที่เรามีศีลเนี่ยชีวิตเราก็วุ่นวายน้อยลงวุ่นวายภายนอกน้อยลง แต่ก็ยังไม่ใช่เครื่องเยียวยาทางด้านจิตใจได้อย่างเต็มที่ถ้าเป็นยาขนานขนานอ่อนๆขนานแรกที่จะช่วยเยียวยาความทุกข์ในชีวิตของเราคนที่มีศีลบริบูรณ์ก็ยังมีความทุกข์ใจได้มีความทุกข์ใจได้จากการที่เราจะมีอารมณ์ ที่มันแปรปรวนไปเบื่อเศร้าเหงาเซงสุขบ้างไม่พอใจบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างไปตามเรื่องตามราวเพราะฉะนั้นการที่เรามาทําความสงบใจแบบนี้การที่เรามีใจที่มีที่พึ่งพึ่งพุโทโธพึ่งความรู้ของพระพุทธเจ้าแบบนี้ มีใจะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างนี้ก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยมันไม่หวั่นไหวไม่ดิ้นรนกวัดแก่งง่ายเท่าที่ปกติที่เป็นพอใจเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจมีอารมณ์ที่เราะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ความวุ่นวายต่างๆอารมณ์ต่างๆภายนอกที่มันเป็นเรื่องวุ่นวายวุ่นวายไปทางอารมณ์ชอบใจก็ดีวุ่นวายไปทางอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ดีมันก็ได้สงบระ ง, งับลงไปสงบเรื่องวุ่นวายทางใจที่มันวิ่งออกไปข้างนอกสงบมันได้ใจเราก็ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เป็นหนึ่งที่รึกนึกถึงพระพุทธเจ้า เราก็จะได้เห็นความสุขอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นความสุขที่เรียกว่าความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วมันก็จะได้เทียบเคียงเปรียบเทียบกับความสุขที่เราได้จากกามจาากการเสพกามเราจะเห็นได้ทันทีแล้วว่าความสุขที่ได้จากการเสพกามเนี่ยมันเป็นความสุขที่มันมีสีสัน แต่มันก็แฝงไว้ด้วยความเร่าร้อนเป็นพิษให้กับจิตใจตอนที่มันมีสีสันก็มีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่วุ่นวายกว่าจะได้ความสุขประเภทเหล่านั้นเนี่ยมันวุ่นวายต้องทำนั่นทานี่วุ่นวายไม่พอมันก็แฝงความเป็นพิษให้ด้วยแฝงความเป็นพิษก็คือมัน ยิ่งเสพอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันยิ่งยิ่งหิวยิ่งต้องการเสพให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วความอิ่มพอในการเสพไม่มีแต่การที่เราได้สงบระงบับอารมณ์วุ่นวายเหล่านั้นมาอยู่กับอารมณ์พุโทโธใจเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์พุโทโธ เราจะเห็นได้ด้วยใจเลยว่าลักษณะของใจมันต่างกันโดยสิ้นเชิงใจแบบตามันก็วิ่งดิ้นรนกวัดแกว่งไปแต่ใจที่อยู่กับพุทโธเป็นใจที่สงบไม่กวัดแกงไม่ซัดสายตั้งมั่นแล้วก็มีความเย็นมีความเบาสบายปลอดโปร่งท้ายที่สุด ก็คือเป็นใจที่มันไม่หิวโหวยในอารมณ์ต่อไปการที่เราอยู่กับพุโทโธก็จะเป็นใจที่สบายผ่องใสปลอดโป ร, โรง่งไม่หิวไม่หิวกระหายในอารมณ์อื่นๆไม่วิ่งวุ่นซัดสาย ต้องการในอารมณ์อื่นๆแต่แค่นี้ก็ยังไม่ได้ทำให้เราเนี่ยมีความรู้แจ่มแจ้งในโลกสมมติใบนี้นะก็มีความรู้เพิ่มขึ้นความรู้ที่เกี่ยวกับว่าการ ม, มีโทษนะมีโทษของกลาอยู่นะการ ม, มีความสุขให้คุณก็จริงแต่ก็มีโทษนะ มีคุณน้อยมีโทษมากเราก็ได้มีความรู้ความเห็นพัฒนาเพิ่มขึ้นจากการที่เรามีแค่ศีลเท่านั้นแต่ยังไม่ได้มาหมั่นฝึกหัดทำสมาธิทำความสงบให้เกิดขึ้นกับจิตใจก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีนั่นแหละก็รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี อะไรที่ทำให้มีเรื่องวุ่นวายไม่ควรทำอะไรที่เป็นเรื่องที่มันไม่วุ่นวายมีการรักษาสินให้มันดีมันดีนะเรามารักษาสินให้มันดีดีกว่าแต่แน่นอนแหละมันยังไม่ได้ทำให้เราเห็นโทษของกามได้อย่างชัดเจนแต่การที่เรามาทำความสงบทำสมาธินี้เกิดขึ้นได้ความรู้ความเข้าใจของเรา เกี่ยวกับโทษของกาลเนี่ยมันก็ชัดขึ้นมาชัดเพิ่มขึ้นมาแต่ถามว่ามันจะชัดขนาดว่าชัดแจ๋วแหววแจม่มแจ้งก็คงยังไม่ขนาดนั้นเราก็ต้องพัฒนาไปอีกการที่เรามีใจที่มันสงบตั้งมั่นไม่มีอารมณ์ใดๆมากลัวแล้วมีความตั้งมั่นอยู่กับพุทโธ นี่แหละเป็นจังหวะที่ดีเป็นจังหวะที่เราจะเอาอารมณ์อันนี้เนี่ยมาพัฒนาจิตใจให้รู้เรื่องต่างๆรู้สภาพต่างๆของโลกสมมติใบนี้ว่ามันเป็นอย่างไรทําไมจะต้องมีสมาธิด้วยทําไมจเราต้องสงบด้วยเราพิจารณาเลยไม่ได้หรือ ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันก็เหมือนกับวันเนี้ยเจ้านายสั่งงานมาเนี่ยสามงานเอาด่วนด่วนด้วยแล้วงานเก่าอะ่ะเราก็ยังค้างที่ยังไม่ได้ส่งอีกห้างานแล้วก็มีคนมาทวงเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีมันทําได้ไม่ดีสักงานหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าในกรณีที่เรา ได้งานมาแค่งานเดียวใจเราก็มีความติตรึกจดจ่อต่อเนื่องไร่ครวญพีนิตพี่เรนางานอันนั้นเนี่ยได้อย่างเต็มที่หัวสมองเราก็ไม่ต้องแบ่งไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก็คิดแค่เรื่องงานตรงหน้าเรื่องเดียวมันก็ความรู้ความเห็นการทำงานเนี่ยมันก็จะดีกว่าแน่นอน ดีกว่าที่เรามีหลายๆเรื่องเอาเรื่องนั้นก็ต้องคิดไปอย่างนี้ เ, เดี๋ยวต้องทําอันนี้อันนี้นี้แล้วก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเอ้เรื่องนี้ก็จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายมันลืมไปหมดแหละลืมไปได้หน้าลืมหลังได้นวนใต้นีแล้วก็ลืมม น, นวลอันนี้ไปทํางานมันก็ลวกๆงานก็ไม่ไม่ดีไม่ประนีฉันได้ฉันนั้น่ะ การที่เรามีจิตใจที่ไม่วุ่นวายไปกับเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยได้เคลียร์งานออกไปหมดแล้วเคลียร์เรื่องวุ่นวุ่นเคลียร์งานยุ่งยุ่งได้หมดแล้วแล้วเราก็เอาใจมาใช้กับงานที่เรียกว่าเอามาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงงานนี้มันก็เป็นงานอันเดียวที่เรามี ที่เราส่งใจไปทํางานอันนี้มันก็เหมือนกับตอนที่เราทํางานแค่ชิ้นเดียวอะ่ะไม่ต้องมีงานเรื่องอื่นมาแทรกไม่มีเรื่องวุ่นวายอื่นมาแทรกเราก็จะทํางานนี้ได้อย่างดีได้อย่างจดจอ่อได้อย่างต่อเนื่องสุดท้ายเราก็จะทําได้อย่างมีคุณภาพผลงานที่ได้จากงานอันนี้ก็จะมีคุณภาพซึ่งงานที่มีคุณภาพของการพิจารณาตามความเป็นจริงก็คือความรู้ความเห็น ตามความเป็นจริงที่มันแจ่มแจ้งขึ้นที่ใจก็จึงทําให้เห็นว่าสมาธิเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจําเป็นแล้วความเป็นจริงเนี่ยเราก็มีไกด์ไลน์ให้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ไกด์เอาไว้ให้แล้วขอแค่ว่าเรามันจดจ่อต่อเ น, นื่องดู ให้มันแ่มลงไปในความรู้สึกในใจคือถ้าคิดตามตร ก, กะมันคิดแล้วมันก็ถูกต้องตามตร ก, กะนั่นแหละแต่มันยังแก้ทุกข์ได้ไม่ดีถ้าเรามีความรู้ความเห็นเฉพาะความรู้ความเห็นที่เขาเรียกว่าทางสัญญาทางตร ก, กะแต่ปราดบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขาเปลี่ยน ไอความรู้ทางตรรกะทางสัญญาตัวนี้เนี่ยลงไปในจิตใจด้วยให้มันเจ่มแจ้งลงไปในสภาวะความรู้สึกในใจด้วยซึ่งท่านก็ไกดไว้ให้อยู่แล้วแหละว่าทุกอย่างในโลกสมมติเนี่ยสุดท้ายยอดสุดมันก็ตกอยู่ภายใต้สภาวะความเป็นธรรมชาติอันเดียวกันก็นคือไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างพันเอกปิ่นนี่ท่านก็ใช้คําว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมุ่งหน้าไปสู่ความแตกสลายของมันแตกสลายในที่สุด น, นะนะแลคือไม่เที่ยงนั่นแหละแม้แต่สมาธิที่เรามีอยู่ตอนนี้พอเราออกจากสมาธิเราไปทําเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็ค่อยๆ จางคลายไปได้เหมือนกันเปลี่ยนไปได้เหมือนกันเราก็จะได้เห็นนี่แหละว่าแม้แต่ฝ่ายดีที่เรากําลังพยายามพยายามป้องกันพยายามทําให้มันดีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไอจากฝ่ายกิเลสฝ่ายกลามทั้งหลายตอนที่เรามุ่งหน้ามีสติสัมมาสติมีที่จะ มาทำงานคือรักษาจิตใจพัฒนาจิตใจไอสิ่งรบกวนเหล่านั้นมันก็มันได้หลีกถอยจางคลายไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีมันก็เปลี่ยนแปลงให้เราเห็นแะแต่แน่นอนล่ละการที่เราจะไปให้มันสุดทางเนี่ยมันก็ต้องยึดดีไว้ก่อน ยึดดีไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ยึดแบบหลับหูหลับตาแบบพวกหลับหูหลับตาไม่นะเรารู้ว่ามันเป็นแค่ทางเดินเครื่องดําเนินไปเพราะสุดท้ายเนี่ยการที่เราติดดีมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันติดในความรู้ดีก็เป็นทุกข์เหมือนกันอะไรที่เราติดมันก็เทือนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทุกข์ใจเราแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปถึงจุดตรงที่พัฒนาใจให้ไปสู่ที่เขาเรียกว่าปุญญะปาปะปะหินะบุคคลคือบุคคลที่มีบุญและบาปอันตนละได้แล้วเพราะฉะนั้นหมู่พระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านก็เป็นปุญญะปาปะปะหีนะบุคคล ผู้มีบุญและบาปอันตนลราได้แล้วก็คื อ, คอไม่ได้ติดไม่ได้ข้องอะไรดีก็ไม่ติดชั่วก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นมันก็เหลืออะไรเหลือแต่ความเป็นกลางกลางไงก็คือไม่ได้ให้ความสําคัญใจเราไม่ยึดติดมันก็เป็นกลางๆงกับสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสอันนี้มันก็จึงเป็นเคล็ดลับอันหนึ่ง ที่ถ้าไม่เราเนี่ยได้รู้แล้วว่าถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยปิติเกิดขึ้นมีความซาบซึ้งใจเกิดขึ้นเนี่ยดีไหมดีแต่ถามว่าดีจริงไหมไม่ไม่ดีจริงนะเพราะนั้นถ้ามันดีจริงๆก็คือใจมันวางได้ใจมันเป็นกลางทํามันได้เพราะนั้นเนี่ยปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติ ที่ดีก็คือต้องสำรวจแล้วเนี่ยใจเราก็เป็นกลางๆงอยู่ได้สำรวจแล้วเนี่ยใจเราเป็นกลางๆงอยู่ได้เรื่อยๆไม่ว่าจะมีเรื่องดีมากระทบใจหรือว่าเรื่องไม่ดีมากระทบใจใจเราเป็นกลางๆางอยู่ได้อันนี้ดีแน่นอนแสดงว่าเราเดินมาในทางที่มันดีแล้วถูกต้องแล้ว แต่ถ้าเราดีแล้วเราก็กระดีกระดาไปแล้วก็นี่แหละความดีของเราถามว่าดีไหมดีแต่มันดีไม่สุดทางแบบนี้เรามีความดีมีความยึดมีความชอบมันมีความยึดถืออยู่ตรงนั้นมีอุปาทานเกิดขึ้นตรงนั้นเราอยากตรงไหนตัณหามันก็เกาะ อ, อยู่ตรงนั้น พอตัณหามีอยู่ตรงไหนอุปาทานคือความยึดถือยึดมั่นมันก็มีอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าใจเราเป็นกลางได้ตัณหาก็ไม่เกิดขึ้นพอตัณหาไม่มีก็อุปาทานก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีสตินะแล้วก็อยู่บนโลกใบนี้ในแบบที่ไม่เข้าไปคลุกวงใน่ เราใจเราถอยออกมาเป็นผู้ผู้ดูผู้รู้ผู้ศึกษาศึกษาให้มันละเอียดละออให้มันทุนทั่วเราจะได้ไปถึงจุดตรงที่ว่าใจเราเนี่ยไม่ยึดไม่ถือไม่ติดเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ถึงคุณธรรมที่ว่าโลกาวิทูรู้แจ้งโลกอย่างรู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เห็นภัยในวัตตะอย่างแจ่มแจ้งที่ใจเห็นถึงเหตุคือสมุทัยแจ่มแจ้งที่ใจแล้วก็ละสมุทัยที่ใจลงได้ใจเราก็จะเป็นใจที่ไม่ต้องกลับมาเวียนวนเวียนสุขเวียนทุกข์อีกต่อไป